บทวิพังหกร้อยหกสคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าพิกุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าพิกุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่คือ ต้องอาบัต้นั้นบอกคําว่าต้องทำคือปารารชิกคือต้องอาบัตปารารชิก8ดข้อใดข้อหนึ่งคําว่าไม่จดด้วยตนเองคือไม่ทักทวงเองคําว่าไม่บอกแก่คณะหมายถึงไม่บอกภิกษุณีอื่นๆคําว่าก็ในการใดภิกษุณีนั้นยังครองเพศอยู่ก็ดีเคลื่อนไปก็ดีเป็นต้นอธิบายว่าที่ชื่อว่าครองเพศอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงภิกษุณีผู้ดารงอยู่ ของตนที่ชื่อว่าเคลื่อนไปรัดหมายถึงภิกษุณีผู้มรณาภาพที่ชื่อว่าถูกนาสนะรัดหมายถึงภิกษุณีผู้สึกเองหรือถูกผู้อื่นให้สึกที่ชื่อว่าเข้ารีดรัดหมายถึงภิกษุณีผู้เข้ารีดเดรถีภายหลังภิกษุณีผู้รู้เรื่องนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าเมื่อก่อนดิฉันรู้จักภิกษุณีนี้ดีว่านางมีความประพฤติอย่างนี้อย่างนี้ คำว่าแต่ดิฉันไม่ได้โจดด้วยตนเองคือแต่ดิฉันไม่ได้ทักทวงด้วยตนเองคำว่าไม่ได้บอกแก่คณะคือดิฉันไม่บอกภิกษุณีเหล่าอื่นคำว่าแม้ภิกษุณีนี้ถ้าผู้มีประภาคกรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆคำว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่าภิกษุณีรู้อยู่ว่าพอทอดทุรว่าเราจะไม่ทักทวงภิกษุณีผู้ต้องทําคือปาราชิกด้วยตนเอง จะไม่บอกแก่หมูคณนะเธอย่อมไม่เป็นสมณะหญิงไม่เป็นเชื้อสายสกยตทิดาเปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้ด้วยเหตุนั้นถ้าผู้มีประภาคจึงตรัสว่าเป็นปาราชิกคําว่าหาสังวาสไม่ได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาดได้แก่กรรมที่ทําร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกัน ความมีสิขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาดสังวาดนั้นไม่มีกับภิกษุณีรูปนั้นด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหาสังวาดไม่ได้